บทภาชนีมาติกาเกาสิบสัที่อยู่ในแผ่นดินรั์ที่อยู่บนบกรั์ที่อยู่ในอากาศรั์ที่อยู่ในที่แจ้งรั์ที่อยู่ในน้ทรั์ที่อยู่ในเรือรั์ที่อยู่ในยานรั์ที่นําติดตัวไปได้ซั์ที่อยู่ในสวนรั์ที่อยู่ในวัดรั์ที่อยู่ในนารั์ที่อยู่ในพื้นที่รั์ที่อยู่ในหมู่บ้านรั์ที่อยู่ในป่าน้า ไม้ชัมระฟันต้นไม้เจ้าป่าทรัพย์ที่มีผู้นำไปทรัพย์ที่เขาฝากไว้ด่านภาษีสัตว์มีชีวิตสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากภิกษุผู้สั่งภิกษุผู้รับของฝากการชักชวนกันไปรักการนัดหมายการทำนิมิต